บุ๊กทูสิบสามทรินสตกิจกรรมเดียวนอสตีมาท่าทำอะไรคายเดลามารา์ทาเธอทำงานในสำนักงาน เดลาวพิซาร์เธอทำงานด้วยคอมพิวเตอร์เดล่าซัตชูนัลนิคอมมาท่าอยู่ที่ไหนเคีย์เยมาร์ธาที่โรงหนังวคกิโนเธอกำลังดูหนัง ปีเตอร์ทำอะไรค a ยเดลปเอร์เขากำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัย s t u ษาในอุนเเขากำลังเรียนภาษาศึกษายส ike ปีเตอร์อยู่ไหนเอยเเตอร์ ท, ที่ร้านกาแฟวาคาวาร์นีเขากำลังดื่มกาแฟพียคาวพวกเขาชอบไปไหนคามราดิกเกรโยรคามราดากเกรสตา ไปดูคอนเสิร์ตนาคอนเสิร์ตพวกเขาชอบฟังดนตรีร่ายดิ์ послушай его гласбо рада п о с л g l a т ь е พวกเขาไม่ชอบไปไหน кам не р а d и х о д i o кам nerada hodita ไปดิสโก้วดิสโก้พวกเขาไม่ชอบเต้นรำนเนราดิเพลช์เยเนราดาเพลช์เต่า